กูทาวสวัสดีค่ะท่านที่เคารพ FM 106 สถานีนอกจากนี้ในรายการของเราครอบครัวข่าวนอกจากนี้ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสําหรับชาวพุทธ จะปฏิบัติตนกันอย่างไรเป็นทางเลือกในทุกคนที่ต้องการจะปฏิบัติในเรื่องของศีลๆน้อยๆในสมมุติเรื่องฆ่าสัตว์คุณไม่ฆ่าสัตว์ เอียดเรียบร้อยมากขึ้นอ่าปรึกพิพินในกามเนาะอาจจะไม่ได้อย่างงี้เหรอเล่น <Sure. S 1> นะคือทําให้ๆฟังดูแล้วเนี่ยศีลเนี่ยเหมือนกับเรื่องที่เข้าใจโกหกเนี่ยที่เราบอก น่ะได้ยินบอกไม่ได้ยินอย่างเงี้ยอันนี้เชื่อว่าโกหกทีนี้การบอกไม่ วินิจฉาวาจาแสดงว่าเราพูดเยอะเกินไปละการพูดเยอะเกินไปเนี่ยไม่ได้หมาย 2-3 คําก็พูดบาๆบอๆขึ้นมา นะถ้ามันเริ่มผิดแส้งมามากมันแย้งมากเกินอยู่ค่ะอืมคําพูดน่ะค่ะการพูดน่ะค่ะท่านคะเอ่อดิฉัน การที่พูดแล้วไปสวรรค์นี่มีมั้ยคะท่านค่ะก็ นั่นก็เป็นแต่เรื่องที่เป็นตามเป็นวินัยเป็นวาจาๆด้วยเราเราจะไม่ถ้าเราปฏิบัติตรงนี้ค่ะท่านวาจาเนี่ย การคลิกอะไรโนดนี่ๆนั่นบนโลกไซเบอร์อืมในสมาร์ทโฟนต่างๆส่งต่อข้อความกดไลค์ใส่คอมเมนต์อืมถือว่าเป็นเช่นกิจกรรมส่งแชทอย่างเงี้ยอันนี้ เพราะมันเป็นบทสนทนาเพราะมันเป็นบทสนทนาเป็นบทสนทนาเป็นบทพูดเป็นเค้าเรียกเหมือนกับ ก็สามารถจะพาเราไปนรกได้เหมือนกันถ้าเราทําบ่อยในทางเขียนอีเมลทําโพสเตอร์ส่งข้อความที่เป็นไป เหมือนกับว่าบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าเอ่อมันมีนรกอยู่ในโลกธาตุนี้อ่าแต่ผลที่ไม่ดี 3 กินว่าไปมีกิ๊กอย่างเงี้ยเค้า YouTube มั้ย นะแล้วคนที่ไป YouTube เนี่ยหึมันเสียหายมากเลยนำก็ไม่ดีมัน นะไม่แน่มีใครเห็นว่าเราทําอะไรไม่แน่เพราะว่าเทวดาเค้าก็อันนี้คือไม่ลับเราสมมุติเราเอ่อพูดอะไรออกมาในห้องคนเดียวไม่มีใคร คนนี่มันจะมารู้ความคิดเราไม่ได้หรอกเราคิดว่างั้นแต่ก็ไม่แน่คนที่เพราะว่าถ้าเป็นอย่าง ที่ซ่อนเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะทําอะไรนะจะไปซ่อนอยู่ที่ไหนล่ะซ่อนใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าค่ะ อ่ะที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะกําลังเตือนทั้งๆคนด้วยว่าๆเรื่องที่เมื่อก่อนครบถ้วนค่ะ<ใช> นะถ้ามันเป็นโทษมันก็จะเป็นโทษหนักเหมือนกันค่ะทีนี้ท่านจะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสัมมาวาจาอีกมั้ยคะก็ นะ, นะ, นะ, 5 เนี่ย แล้วศีลข้อที่ 5 เรื่องสุราออกแล้ว 3 ข้อเข้ามาแทนเข้ามาแทนนะก็มีแสดงว่าสุราที่มันเกี่ยวข้อเรเรเรเรเร 4 นะ เอ่อเป็นผู้ที่ไม่ 5 คือเรื่องของการที่ไม่ดื่มสุราและเอเอ 3 ข้อของสัมมาวาจามาแทน 1 ที่เราต้องทํา 5 เนี่ยก็ การสํารวมในการดื่มน้ําเมาเป็นมงคลอย่างยิ่งนะสํารวมในการดื่มน้ําเมาเป็น <yummy palm kw> ทีนี้ของที่จะพาเราไปลมประมาทได้ที่ 5 เนี่ยเราบอกเฮ้ยเรากินก็ไอ้ที่คุณกินน่ะแหละเค้าเรียก ยังไม่ทําผิดค่ะอืมเพราะฉะนั้นผู้ชาวก็เนี่ยคุณโยมติวมัน<ใช> 5 เนี่ยอาตมาเคยเห็นมีผู้บริญญ์คนหนึ่งเค้าบอกเค้า แต่พอไปงานอย่างงี้ไปงานนั้นงานนี้ลูกน้องเอาอะไรมาด้วยให้นะตัวเองก็ไปฉันจะไม่กินเหล้าห่าตั้งใจไว้ นะถ้าเรายังมีเอ่อพักษาศีลด้วยการที่ว่ามีตัณหาและทิฏฐิถูกในยังกรณีของอ่าอย่าง ค่ะก็จะไม่มีเรื่องใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปโจดเค้าว่าเอ้ยคุณทําไมทําอย่างเงี้ยทําไมถูกนั่นนี่เป็นเรื่องของเอ่อสปิชีนตัวเราเองเนี่ยถูกตัณหาและทิฏฐิรูปครรมนะศีลบางทีคุณ เริ่มยากแล้วนะคะเริ่มยากแล้วนะคะศิลปัตตะปรามาตสงสัยต้องต่อ อ่าดิฉัน fm 106 ค่ะเราต้องการให้ท่านทั้งหลายนั้น